เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความคิดเห็นให้แง่คิดเล่าถึงประสบการณ์และความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบททัติธรรมเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านฟังว่าเป็นการปฏิบททัติธรรมก็อย่าฝืนเบื่อนะอย่าตั้งท่าเบื่อไปแล้ลองฟังดูก่อนบางทีสิ่งที่เราเบื่อเนี่ย อาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเราก็ได้เรามากักจะปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ชอบอะไรที่เราชอบเราก็จะมุ่งสแสวงหาแต่มันมีเคล็ดลับอยู่ว่าสิ่งที่เราชอบใจเนี่ยมกยักจะทาร้ายใจเราในภายหลังแต่สิ่งที่ขัดใจเรานั่นแหละสังเกตดูดีๆเถอะสิ่งนั้นละ่ะจะให้ปัญญากับเราจะให้ประโยชน์กับเรามากในสิ่งที่มันขัดใจเราหลายคนมีชีวิตที่ก้าวหน้า เพราะว่าไม่ปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราที่มันขัดใจเรานะั้นมันไม่ใช่ขัดใจเราหรอกมันขัดกิเลสเราถ้าเราทำตามความชอบใจของเราเนี่ยมักจะพาเราไปเป็นทุกข์ในภายหลังถ้าเรารู้จักเรียนรู้ทั้งสิ่งที่ถูกใจเราแล้วก็ไม่ถูกใจเราเราจะเกิดปัญญาจะมีชีวิตอยู่เหนือความถูกใจกับความไม่ถูกใจคือพ้นจากภาะวะที่ พอใจไม่พอใจไปเลยนะตรงนั้นแหละมันจะเป็นที่สุดของความทุกข์นั่นคือความสุขที่สมบูรณ์อย่างสิ่งที่ที่ว่พูดวันเนี้ยก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันอะไรก็ตามถ้าเราฟังแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์น้อยมากถ้าฟังแล้วสามารถเอาไปใช้กับชีวิตจริงแล้วก็ แก้ปัญหาชีวิตเราได้แล้วก็ดับทุกในใจเราได้แล้วก็สิ่งนั้น่ะมีประโยชน์ฟังเอาไว้รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกถามผมเองพูดพูดก็ไม่ได้เป็นผู้ที่บรรลุธรรมนะเป็นเพียงแต่ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เรื่องของความทุกข์เรื่องของวิธีการขจัดความทุกข์ในใจเรียกว่าก็ชำนาญชำนาญําวอดอยู่กับวงการความทุกข์ตัวเองเนี่ย มานานหลายปีก็บางทีก็จะเป็นประสบการณ์ที่แ บ, แบ่งปันกันไม่ได้แบ่งความทุกข์ให้แต่บราแบ่งวิธีการแก้ปัญหาในความทุกข์ให้เราจะเป็นประโยชน์มา้างเพราะว่าธรรมะเนี่ยมีไว้เพื่อความพ้นทุกข์ทางด้านจิตใจธรรมะมีไว้เพื่อความพ้นทุกข์ทางด้านจิตใจไม่ใช่ทุกทางด้านร่างกายทุกทางด้านร่างกายนั้นต้องอาศัยหมอ อาศัยยาอาศัยการฝึกขัดตัวเราเองแต่ทุกทางใจนั้นคุณหมอก็ช่วยเราไม่ได้ยาก็มียารักษาทุกทางใจได้ก็ต้องอาศัยธรรมโอสถรักษาจิตรักษาใจเราแม้ว่าร่างกายจะเป็นทุกข์ขนาดใดก็ตามแต่ถ้าเรามีปัญญารักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้แล้วก็ทุกทางกายจะไม่มีปัญหาเลยแม้ความแก่ความเจ็บความตายนะเพราะฉะนั้นธรรมะมีไว้เพื่อดับทุกข์ทางด้านจิตใจ ก็เราเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติบางคนก็สงสัยว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีความทุกข์อะไรชีวิตมีความสุขดีอยู่เราต้องมาสนใจกับธรรมะไหมเราต้องจำเป็นต้องปฏิบัติทำด้วยหรือเมื่อเรามีความสุขและเราก็ไม่มีความทุกข์อันนี้เจอคาถามบ่อยๆมันที่อาจจะมีคนคิดแบบ น, นี้ก็ได้เราไม่มีความทุกข์เรามีความสุขดีอยู่ ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยทำไมต้องมาสนใจธรรมะด้วยอันนี้ก็เคยมีคำถาม mm. ก็ขอบอกว่าดีแล้วถ้าเราไม่มีความทุกข์ชีวิตมีความสุขดีแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่มีทุกข์หรือเราไม่รู้จักทุกข์กันแน่เราไม่มีทุกข์หรือเราไม่รู้จักทุกข์กันแน่ผู้ที่ไม่มีทุกข์เนี่ยก็คือพระอริยเจ้า ผู้ที่รู้แจ้งถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วปฏิบัติจนเสร็จกิจบรรลุผลคือดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วผู้นี้คือผู้ที่ไม่มีทุกข์จริงๆแต่สำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยมันย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาถ้าเรายังยึดมั่นถือมั่นว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราของเราเมื่อไหร่ล้วก็ทุกข์ย่อมไม่หมดไปจากใจเราเพราะว่ากายกับใจเนี่ย เป็นที่ตั้งของกองทุกข์เรายึด ต, ติดกายใจเท่ากับเรายังยึด ต, ติดในความทุกข์อยู่เพียงแต่ว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาโดยการกลบทุกข์ชั่วคราวทำไมเราจึงนั่งนิ่งไม่ได้ทำไมต้องมีการขยับตัวไปมานั่นเพราะความทุกข์ธนร่างกายมันบีบคั้นให้ต้องมีการเคลื่อนไหวทำไมเราจึงมองอย่างเดียวโดยที่ไม่กระพริบตาได้ไหม ก็ไม่ได้การกระพริบตาแต่ละครั้งเป็นการแก้ทุกข์มันมีการบีบคั้นจะ ต, ต้องมีการกระพริบตาทํามถึงต้องมีการหายใจเข้าและก็หายใจออกเพราะทุกข์มันบีบคั้นที่ต้องมีการหายใจเข้าและหายใจออกทําไมจะต้องแก่ทําไมจึงต้องเจ็บแล้วทำไมจ้องตายเนี่ยจริงเนี้่คือทุกข์บีบคั้นทั้งนั้นแต่เราไม่พยายามที่จะมาสนใจพยายามหลีกเลี่ยงใครว่าใครฐานถึงอายุหน่อยก็เครียด เราไม่ยอมรับความจริงถามอะไรถามตัวเยาถามตัวอายุเวลาป่วยไข้เราก็เป็นทุกข์มากแม้กระทั่งร่างกายเป็นผู้ที่ป่วยไขย้แต่ทําไมเรามีทุกข์ถึงด้านจิตใจและความตายใครที่ไม่กลัวตายไม่มีนอกจากมีพระยาาร่าเจ้าที่ไม่กลัวตายคือเขาเข้าใจเรื่องความตายอย่างชัดแจ้งแล้วเวลาเรามีความพัดพลากจากสิ่งที่เรารัก อาจจะเป็นสิ่งของหรือบุคคลที่เรารักเรามีความทุกข์ใจไหมอาจจะทุกน้อยทุกมากมันต่างกันบางคนทุกนิดเดียวแต่ก็ทุกแหละ่ะบางคนทุกมากก็ทั้งฆ่าตัวตายตามก็มีนะเวลาเราเจอสิ่งที่เราเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งและเราไม่ได้อย่างใจหวังเนี่ยเรามีความสุขดีไหมเราก็มีความหุดหงิดมีความทุกข์เวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ต้องการเจอสิ่งนี้แต่เราต้องเจอต้องเจอ เราก็มีความทุกข์อันนั้นเป็นความทุกข์ทุกคนก็เคยผ่านมาแต่ทุกจนน้าตานองหน้าเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ไดสัมผัสเมื่อถึงเวลานนั้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีสติไม่มีวัญญาที่จะแก้ปัญหาใจเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักทุกเราก็ว่าเราไม่มีทุกข์แต่ทุกข์ที่แท้จริงอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราถ้าเรายึดมั่นถือมั่นกายใจเป็นตัวเราเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะเป็นทุกข์อยู่ล่ําไปจนกว่าเราจะรู้แจ้ง แล้วก็ปล่อยวางมันจะได้แล้วก็ไม่ยึดติดเราก็จะพ้นทุกโดยสิ้นเชิงก็ไม่เป็นไรนะถ้าบางคนยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเรามีทุกหรือเปล่าไม่เป็นไรสนใจไว้ก่อนฟังไว้ก่อนนะเราจะได้มีสติมีปัญญามีวิธีการเตรียมใจเอาไว้เตรียมใจเอาไว้เวลาที่ทุกมาเยือนโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนผมเองก็ไม่คิดว่าต้องม่ใช้ชีวิตแบบนี้นะไม่เคยคิดมาก่อน คิดว่าเราเนี่ประสบผลสเร็ทุกอย่างแนละ้วเราคงจะไม่มีทุกข์ละต่อจากนี้ไปชีวิตจะราบรื่นได้ไม่กี่วันคิดได้ไม่กี่วันประสบบัลลังจนร่างกายต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยแค่ทุกข์เพราะกายพิการตลอดชีวิตเนี่ยโอ้ใจเนี่ยมันแบกภาระหนักของความทุกข์ไว้มากกว่าด้านร่างกายซะอีกร่างกายมันเป็นทุกข์แค่ปัจจุบันแต่ใจเนี่ยมันทุกข์ถึงอนาคตมันไปไกล เน <S an> ี่ยโอเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราควรจะต้องนอนแบบอยู่บนเตียงนอนรอความตายแบบไร้ค่าที่สุดไม่ค่าคิดมาก่อนไม่ได้แช่งคนทุกคนมีสิทธิ์เป็นคนพิการดังนั้นใช่ไหมทุกคนมีสิทธิ์โดยที่ไม่ค่าคิดมาก่อนอันนี้ <S <S <an> <S เพื่อความไม่ประมาทเราฟังเอาไว้แล้วก็ลองไปฝึกปฏิบัติดูเราจะได้มีวิธีการที่จะเผชิญหน้า กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเราในภายภาคหน้าแต่การปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่รอต่ออนาคตนะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้เลยการปฏิบัติธรรมมีคนถามว่าแล้วเราต้องทามาหากินเรามีภาระเลี้ยงดูครอบครัวเราจะมีเวลามาปฏิบัติธรรมได้หรือมัวแต่มาปฏิบัติธรรมแล้วจะกินอะไรครอบครัวจะกินอะไรธรรมะกินได้ไหมเนี่ย เคยมีคนถามนะธรรมะมันกินได้ไหมธรรมะเป็นอาหารใจใครเอาธรรมะไปกินทางปาก็ไม่ถูกต้องธรรมะเป็นอาหารใจรักษาใจเท่านั้นเองแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเหลือต้องปลีกตัวไปวัดไปสถานที่ที่เขาจัดเอาไว้จะต้องเป็นที่นั้นอย่างเดียวไม่ใช่นะธรรมะเป็นอากาลิโก ปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาเดี๋ยวนี้ก็ทําได้ไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาทําได้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนก็ทั้งเราหลับไปเราสามารถปฏิบัติทําได้ทั้งวันเลยก็ยังมีคนถามต่อเลยนะนี่ถามแบบจะหาเลือกเขาถามว่าอาจารย์ก็ทําได้สิเพราะอาจารย์ไม่มีครอบครัวและอาจารย์เป็นคนพิการด้วยไม่ทําหากินอะไรสบายเลยโอ เขาดูถูกความทุกข์ขนาดนั้นดูถูกความทุกข์ของผมขนาดนั้นจน้ะนะเขามองแต่ด้านร่างกายคนเราเนี่ยบางทีร่างกายมันเป็นทุกข์ไม่มากหรอกอาจจะมีเวลาที่จะปฏิบัติกับตัวเองแต่ว่าจิตใจสําคัญมากถ้าใจมันมีทุกข์หนักแล้วก็มันตั้งหลักอะไรไม่ได้หรอกหลายคนที่ทุกข์ใจตรงนั้นต้องฆ่าตัวตายทั้งร่างกายไม่เป็นอะไรธรรมะก็ไม่รับแล้วตายดีกว่า เพราะว่าทุกข์ของใจเนี่ยถ้ามันหนักหนาสาหัสแล้วก็มันคิดอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเวลามากนขนาดร่างกายแต่จิตใจเนี่ยมันหมดเวลาแล้วบางทีมันหมดเวลาที่จะหาทางพ้นทุกข์แล้วก็ก็ถามแบบก็อาจารย์ก็ทําได้สิอาจารย์ไม่ทําอะไรมีธรรมากินอะไรบางทีเจอคําถามแปลกๆมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปมองว่าจะต้องแต่งชุดขาวหรือบวชเดินย่องย่องหน้างหงอยๆตามวัดแร้วมจะเป็นผู้ค่อยๆเดยะธรรมาจะหลุดหรือทำท่ามันเคร่งเครียดกลัวจะไม่เหมือนจริงก็มีนะธรรมะต้องเป็นธรรมดาเป็นปกติในชีวิตประจำวันเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่ไหน เราเริ่มต้นปฏิบัติธรรมที่ไหนก็เริ่มที่กายที่ใจเรานี่แหละเริ่มต้นที่ตัวเราธรรมะอยู่ที่ตัวเรานี่แหละคือก้อนธรรมก้อนธรรมอยู่ที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราถ้าเริ่มต้นที่ตัวเราเราก็ถูกต้องปฏิบัติธรรมอย่าไปเริ่มผู้อื่นบางคนบอกว่าเธอไปสิเธอไปปฏิบัติธรรมสิคนนู้นก็น่าจะไปคนนี้ก็น่าจะไปลืมดูตัวเราเราเน่ยแหะน่าจะไปเพราะไปเริ่มต้นที่คนอื่น เราจะเป็นคนที่สิ้นทุกเป็นคนสุดท้ายหรือไงถ้าหมดแต่เริ่มต้นคนอื่นให้คนโน้นทำดีคนนี้ทำดีเอเราถำไมไ่ทำดีก่อนเป็นคนแรกเราจะเป็นคนดีเป็นคนสุดท้ายในโลกนี้หรือไงต้องเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ไหนก็เริ่มที่ปัจจุบันขนาดนี้เริ่มอย่างไรเริ่ม้วยการทำความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวรู้สึกตัวสามคำรู้สึกตัว ง่า ย, ายการปฏิบัติธรรมมีแค่สามคำคือรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการเริ่มต้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาบาลีให้มันคลังๆหน่อยหรือว่าสติสติสัมวัชย์ยะเราเคยยินบ่อยๆสติสัมวัชัญญะคือความรู้สึกตัวรู้ที่กายที่ใจเราการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเริ่มด้วยการจเจริญสติ ทำสติให้มากขึ้นกขาไว้ทำสติให้มากขึ้นมัวทำหลักปฏิบัติใหญ่ๆนะสะเกต ด, ดูนะจะมีคําว่าสติสติทั้งนั้นเลยหมัวทำหลักปฏิบัติใหญ่ๆเนี่ยหลักธรรมะใหญ่ๆมีสติสติอย่างเช่นว่าอะนุสติเคยได้ยินไหมอนุสติคือการมีสติละลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสิบข้อนะ่ย ที่เราท่องเราบริกรรมมาพุโทโธพุโทโธนั่นละเป็นอนุสติระลึกถึงพุทธคุณหรืออีกอันหนึ่งก็คือกายขคตตาสติเขา้ยินไหมคือมิติตามรู้ไปในกายเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ภาษาบาลีเขาว่าเกษโลมานาขาทันตาตาโจเขา้ยินไหม เนี่ยพระที่บวทหมายต้องเขาเรียกว่ามูลลักกรรมฐานกรรมฐานเบื้องต้นคือกายยะตาสติคือมีสติตามรู้ลงไปในกายเราหอีกหมวดหนึ่งหมวดนี้ก็ใหญ่มากหมวดที่เรียกว่าอาณาปนสติเคยเรียนไหมครับอาณาปนาสติคือการมีสติตามรู้ลมหายใจของเราซึ่งมีในตัวเราอีหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออก ก็้มีสติรู้หายใจเข้าสั้นก็ให้มีสติรู้หายใจออกสั้นให้มีสติรู้หายใจเข้ายาวให้มีสติรู้หายใจออกยาวก็มีสติรู้คือรู้ลมหายใจเข้าออกก็เรื่องตัวเราอีกแ <laughs> ล้วก็อีกอักนหนึ่งคือหมวดใหญ่คือสติปฐานสี่คือการมีสติระลึกรู้ลงไปที่กายที่เวทนา หรือสุขทุกข์ในตัวเรากายเวทนาจิตระลึกรู้ในจิตแล้วก็มีสติ ร, ร, รู้รู้ในธรรมะในธรมนธรมที่เกิดจากกายจากใจเรากรรมฐานทั้งหมดต้อเกี่ยวเนื่องกับตัวเราทั้งนั้นเลยถ้าออกนอกตัวเราเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ใช่เป็ น, านาการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการย้อนกลับมาดูตัวเราเพราะว่าปัญหาทั้งหลายนี่ไม่ใช่เกิดจากคนอื่นเกิดจากตัวเราทั้งนั้น เกิดจากใจเราเกิดจากกายเรานั้นการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติลงไปที่กายที่ใจเราอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกรรมฐานไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่เนื้อที่ตัวเรานี่แหละอยู่ที่ไหนก็ทําได้ทั้งนั้นอย่างเช่นการเจริญสติประฐานสี่เนี่ยถือว่าเรานํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเวลาเรานั่งให้มีสติรู้ ว่ากายมันนั่งมิติรู้ว่ากายกาลังนั่งจิตเป็นผู้ดูกายเป็นผู้นั่งนะจิตเป็นผู้ดูกายเป็นผู้นั่งก็ดูเฉยๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจับมันดูแบบสบายๆอ่อนี้กายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเวลาเรายืนจิตเป็นผู้ดู กลายเป็นผู้ยืนมันเริ่มแยกอะไรนะถ้าเราเระลึกรู้แบบนี้มันจะเกิดการแยกในทางจิตใจกายคือส่วนกายจิตคือส่ว น, วนจิตเวลาเดินจิตเป็นผู้ดูกายเป็นผู้เดินและเป็นงั้นจริงนะจิตมันเดินไหม <c oughs> จิตไม่เดินจิตเป็นเพียงแค่รับรู้รับทราบ ก, กายมันรู้ไหมกายไม่รู้กายทาหน้าที่เดินเวลานอน กายเป็นผู้นอนจิตเป็นผู้ดูต่อแยกแบบ น, นี้ได้แล้วก็เวลากายทุกเนี่ใจจะไม่ทุกนะเวลากายป่วยใจจะไม่ป่วยนะเวลากายหิวใจจะไม่โมโหนะเวลากายแก่ใจมันจะไม่แก่เขาไม่แก่นี่ไม่ใช่ว่าไปทำอย่างอื่นคือรูว้วามจริ ง, อ, งอ่านี่ความแก่เป็นเรื่องของกายสมัยก่อนมีเพลงที่บอกว่าถึงฟันจะหักถึงหนังจะเหี่ยว มันก็ไม่เกี่ยวเพราะเป็นเรื่องของมันนี่เข้าถึงศัสนาธรรมไหมเนี่ยเป็นเรื่องของกายจิตเป็นเพียงแค่ผู้ดูไว้ถึงเวลาตายกายมันตายจิตไม่ได้ตายจิตเป็นเพียงแค่ผู้ดูในความตายมันหลุดลอดตรงนี้เห็นไม้มความพิการเกิดขึ้นเพราะกายแต่ใจก็ไม่ได้พิการมันแยกกันเนี่ยถ้าเราไม่มีสติระลึกรู้แบบนี้นะเราจะรวมเป็นหนึ่งเลย เมื่อกายป่วยใจก็ป่วยเมื่อกายอ้วนใจก็ทุกเนีเมื่อกายหิวใจคนมันก็โอ้โหเนีเมื่อกายไม่สวยใจก็ทุกเนี่ยซึ่งแยกกันไม่ได้มันยังไงถ้าจิตรู้แบบนี้ได้แล้วก็จิตจะช่วยเหลือกายให้ถูกต้องนั้นการเจิตติรู้กายแบบเนี้ยมันยัมีการแยกแยะระหว่างจิตเป็นผู้ดูกายเป็นผู้เป็น แค่ราลึกรู้เฉยๆสติปัฏฐานต้องเป็นอย่างนี้นี่เวลามันปวดมันเมื่อยเ่อเรานั่งเราปวดเมื่อยสติรู้อ๋อรู้นี่กายมันปวดรู้จะทำไงใจต้องปวดเลยไหมใจไม่ต้องใจรู้ว่ามันปวดแล้วก็เปลี่ยนนะขยับขยายเปลี่ยนขยับขยื่นเป็นการแก้ทุกข์ให้กับกายแค่นี้เราก็ได้สติได้เป็นการปฏิบัติธรรมในขณะปัจจุบันเลยร่างกายมันไม่มีความสุขหรอกมันมีแต่ทุก เราดูบ่อยๆจะเห็นว่าโอ้ทุกเนี่เป็นเรื่องของกายความทุกขเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของใจคือเรื่องความไม่ทุกทางนั้นแหละเราจะไม่จมไม่แช่ไปกับความทุกทางกายด้วยมันเกิดการแยกๆเราจะคิดเอาอาจจะไม่ได้แต่ว่าคิดเป็นเพียงแนวทางแต่ตัวฝึกที่จะรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวปฏิบัติที่แยกกายแยกจิตได้ทุกกายใจจะไม่ทุกได้ร่างกายมีแต่เรื่องความทุกทางนั้นไม่มีสุขหรอก ไอ้ที่เราสุกเนี่ยเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากทุกมาคิดว่ามันสุกเปล่าแล้วเราเปลี่ยนต่อไปนหนักอะไรมันก็จะทุกต่อไปเราไม่เคยทานข้าวมื้อเดียวอิ่มตลอดชีวิตเลยเราต้องทานข้าวไม่หลายบ่อยบ่อยบางคนหลายบางคนสี่มือ้อเพราะเรื่องของร่างกายเรื่องการต้องตามแก้ไขความทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถ่ายหนักเดี๋ยวมันก็ถ่ายเบาเดี๋ยวมันก็ถ่ายไม่หยุดเดี๋ยวมันก็ไม่ยอมถ่ายสารพัดอย่างที่กายมันจะเป็นอ่าผมเนี่ย มันไม่ค่อยได้ถ่ายง่ายแล้วเวลาถ่ายก็ต้องใช้ยาสวนนะลําบากมากนะเพราะคนที่พิการไปเนี่ยท้องมันจะผูกจะขับถ่ายเองไม่ได้ต้องมีเครื่องช่วยอุปกรณ์ร่างกายช่วยมากมายในเรื่องของกายบางคนอาจจะปัสสาวะไม่ออกอุจจาระไม่ได้อันนี้คือความทุกข์ที่ต้องแก้ไขเท้านั้นเราแก้ไขตัวเองบางทีแก้ขไขมันต้องให้คุณหมอช่วยซึ่งมีเครื่องช่วย ถ้าดูนานๆจะเห็นว่าอ๋อกลายเป็นอย่างนั้นเราจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงบ่อทีเรื่องของจิตใจเนี่ยบ่อทีเราคิดความคิดมีสองแบบคิดแบบตั้งใจคิดกับแบบไม่ตั้งใจคิดเป็นางนะอะไรที่เราตั้งใจคิดเนี่ยโอ้มันจะเป็นระเบียบเป็นระบบมากคิดแล้วเลิกง่ายจบง่ายมันก็ไม่อยากคิดนานถ้าตั้งใจคิดนะเนี่ยคิดวางแผน คิดแก้ปัญหาตอบคําถามเนี่ยผู้เนี้ยคิดด้วยสติตั้งใจคิดมีประโยชน์มากและจบง่ายด้วยแล้วมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ได้เชื้อเชิญไมไ่ตั้งใจคิดเนี่ยขณะฟังมีทีใจมันคิดแล้วอันนั้นเราไม่อยากคิดนะแต่มันต้องคิดเราห้ามมันไม่ได้เวลาจะนอนจะหลับตั้งใจจะหลับแต่ทําไมมันคิด เรื่องราวต่างๆขึ้นมาโดยที่เราไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันหลับแต่ใจมันจะคิดเราอยากให้มันหลับแต่ใจมันอยากจะคิดมันจะมีความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดแม้เราวางแผนแล้วก็ตามวางแผนเรียบร้อยแล้วการวางแผนเป็นหน้าที่ของเราด้วยความตั้งใจแต่มันมีความกังวลไอ้ความกังวลนี่ทุกคนไม่อยากได้แต่มันก็ต้องมาถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันเลยอ๋อนี่เป็นความคิดที่เราไม่เจตนาคิดนะ ถ้าขาดสติเราก็เชื่อความคิดเป็นตัวเราเป็นผู้คิดแมมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้เราก็กังวลไปกับความคิดที่เราไม่ได้เชื่อเชิญแต่ลืมอารมการที่เราตั้งใจคิดไว้ก่อนใช่ไหมมันเคว้ไปแล้เพราะเราขาดสติแต่ถ้ามีสติจะรู้เลยอ๋อนี่เราตั้งใจคิดแบบนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการปรุงแต่งที่มันมากับจิตใจอันนั้นไม่ใช่ของจริงนะเราปฏิเสธโดยที่ไม่ใช่ของจริงปล่อยให้มันคิดแล้วมันผ่าน เราจะเข้าใจในความคิดที่เป็นความกังวลในสิ่งที่เราไม่ได้เชิญมาเนี่ยสติจะจับทันได้ตรงเนี้บางทีเราก็อยากจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆคิดในส่วนที่เป็นบุญกุศลแต่ทําไมบางทีอกุศลมันก็มากกว่ า, เ, าเราอยากทําความดีคิดอยากทําความดีนี่จิต ด, ดีนะจิต ด, ดีมากมีความสุขสักพักนึ่งทำไปทําไมทําความดีมันก็ไม่ไหนเงินอันนั้นเป็นอกุศลที่แทรกเข้ามา มันช่วยไม่ได้นะมันต้องคิดได้แต่ถ้าเราขาดสติเราก็เชื่อเชื่ออักุศลมากกว่าด้วยมันมีรสชาติแต่ถ้าคนมีสตินี่อ๋อสิ่ที่อกุศลเนี่ยจะไม่เอาสติเป็นธรรมะที่เกิดกับกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเนี่จิต ท, ที่เป็นกุศลเนี่ยจะหลั่งไหลมาตลอดเวลาเลยเพราะนั้นถ้าเราขาดสติเราก็จะไหลไปตามสิ่งที่มันมากระทบเชื่อถ้ามีสติเราก็จะรู้ทันแล้วก็ปล่อยมันไป เนี่ยเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็อาศัยร่างกายบ้างอาศัยจิตใจบ้างมาเป็นฐานให้มิติรู้ให้มิติเป็นผู้ดูให้จิตเป็นผู้ดูปล่อยให้กายมันผู้กระทํำปล่อยให้ความคิดมันเป็นผู้แสดงเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้ดูละครไม่ใช่ผู้กํากับละครผู้ดูทีวีไม่ใช่ผู้เข้าไปเล่นในทีวีเนี่ยมันหลุดรอดตรงเนี้ย และสิ่งเหล่านี้เราทําได้เมื่อไหร่ก็ทําได้ในชีวิตประจําวันเพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วการปฏิบัติทำในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ไม่ต้องเราทํางานทําตามหน้าที่ไปเพียงแต่เราเติมเติมสติเติมความรู้สึกเติมตัวรู้คือรู้สึกตัวไปกับการทําหน้าที่ ทุวเนี่ยเราเราไม่ค่อยได้มีตัวรู้ไม่ได้ค่อยมีสติกับการทําหน้าที่บางทีเราทําหน้าที่แบบทําด้วยความเคยชินนะทำด้วยความเคยชินด้วยความชํานาญแต่บางทีใจเราก็เลื่อนลอยใช่ไหมใจมันลอยไปกับความคิดลอยไปกับอารมณ์อดีตอนาคตงานอยู่ตรงหน้านี้มือก็ทํานะแต่ดีใจมันลอยเห็นไหมเราเคยขับรถบางทีเราขับรถเราคิดด้วยเนี่ย เราคิดปรุงแต่งเนี่ยเราขับรถด้วยความเคยชินขับด้วยความเคยชินแต่ใจเราเนี่ยไม่อยู่กับการขับรถร้อยเอร์เซ็นเผลอแป๊บแป๊งั้นเราทํางานมักทําด้วยความเคยชินแต่ขาดสติอยู่ในแดนงานของเราจิตใจเลื่อนลอยอาการภายนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนกันอาจจะทํางานเหมือนกันอาจจะฟังเหมือนกันหมดเลยนั่งฟังเหมือนกันบางคนเหมือนจะฟังนะแต่ใจเนี่ยไม่ได้ฟัง นะนั่งหน้าตาตาแปวนะแต่ใจฟุง้งเมื่อไหร่มันจะเลิกพูดอะไรจะไม่ดูฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยนะหน้าตั้งใจนะแต่ว่าจิตใจเลื่อนลอยแล้วนะไปกับความคิดนะเพราะขาดสติแต่การฟังอาการภายนอกดูคล้ายๆกันไม่แตกต่างแต่ข้างในมันต่างกันแม้แต่การทานข้าวคนที่มีสติก็จะทานข้าวแบบรู้สึกตัวมันก็อร่อย แต่ของขาสตินี่กินให้มากเขาไว้ให้อร่อยเขาไว้มันต่างกันข้างนอกกินเหมือนกันแต่ข้างในต่างกันข้างนอกทําด้วยความเคยชินอันนั้นคือทําด้วยการขาดสติด้วยความจานาญไม่ได้เป็นกานปรปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้ามางคลนี่ทํางานด้วยแล้วก็รู้สึกตัวไปกับแดนงานจิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแดนงานอันนี้ทําด้วยสติ แม้จะไม่ตั้งใจเจริญสติแต่มันก็มีสติอยู่กับแดนงานอยู่กับปัจจุบันเฉพาะงานเฉพาะหน้าเราจะทําอะไรทํางานอะไรนี่ไม่สําคัญสำคัญที่ว่าเราทําใจอย่างไรงานขั้นตอนนั้นไม่สําคัญเราเรียกว่าใจเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราทําด้วยความรู้ตัวเรือทได้หลงลืมตัวงานก็เสร็จเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้สติแต่ถ้าเรารู้สึกตัวด้วยเนี่ยงานก็เสร็จสติเราก็ได้ มันก็ได้ไประโยชน์ทสองจอย่าคนที่ทำงานด้วยสติเนี่ยสติเนี่ยมันมีเสน่ห์ที่ว่าจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้สติสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิจดจ่ออยู่กับงานเราเจอสติไม่ต้องแสวงไม่ต้องถามหาสมาธิหรอกสมาธิมันเกิดขึ้นมาเองมันเป็นของแผงตามขึ้นมามันจะเป็นของแผงแล้วงานจะไม่ค่อยปิดพลาดคนที่ทำงานไปที้หลงีื่อนแล้แบบขาดสติ และน่าลืมลางน่าขาสติถ้าไม่สี่เราจะไม่ค่อยลืมแม้จะลืมมันก็นึกขึ้นได้ทันควันทันควันเลยจะไม่ลืมแล้วก็จะรู้ทันนะรู้ทันจิตทันใจเราบางทีงานต้องรีบร้อนรีบเร่งคนขาดสติจะรีบทํางานข้างนอกแล้วก็ร้อนอยู่ข้างในเขาเรียกจริงๆว่ารีบร้อนรีบร้อนมาลุกลี้ลุกลน ไม่ใช่เป็นการกระตือรือร้นเป็นลุกลี้ลุกลนรีบร้อนแต่คนมีติทำงานเนี่ยรียบเหมือนกันแต่ข้างในเนี่ยไม่ร้อนข้างในเย็นผมจะเรียกว่ารีบเย็นรีบข้างนอกเย็นอยู่ข้างในรีบได้เหมือนกันข้างในก็เย็นนะมันต่างกันบางทีเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยมันวุ่นวายสับสนสิ่งรอบต่างวุ่นวายมากสับสนมาก คนขาดสติก็จะวุ่นวายไปตามเหตุการณ์ทําอะไรไม่ได้แล้วมันวุ่นวายไปหมดแต่คนมีสติเนี่ยข้างนอกจะวุ่นวายแต่ข้างในสงบสงบอยู่กับการทํางานมันต่างกันตรงนี้แหละมันจะรู้ทันจิตทันใจเราจะรู้ทันใจเราเนี่ยหลักปฏิบัติสําคัญที่สุดก็คือเมื่อเราจะสติเพื่ออะไรก็เพื่อรู้ทันจิตทันใจเราให้รู้ทันใจเรารู้ทันในความคิดของเรารู้ทันอารมณ์ของเรา สติมีหน้าที่ตรงนี้ให้รู้ทันทำไมต้องรู้ทันใจเราเพราะว่าใจเราเนี่ยมันหาเรื่องให้เราทุกข์มากมายเรามีความทุเพราะใจเราต่างหากเพราะใจเราไม่มีสติเรารู้ไม่ทันใจเราเพอเกิดความรักเราก็รักหมดเนื้อมาตัวไปเลยเพอเกิดความโกรธก็โกรธไปจะฆ่าเขาไปเลยไอ้ใจเนี่ยมันเป็นต้นตอของปัญหาทั้งๆตั้งปวงถาลาบตัวแรก ม, มันก็หมดปัญหา แต่แ้งลืมตาอยู่เนี่ยดูโลกเนี่ยมันจะมีปัญหาทนานจิตใจสติที่จเจริญแล้วเนี่ยคือจะรู้ทันจิตทันใจเราเพราะใจเรานำเอากิเลสซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์มามากมายใช่หมเนี่ยสติเมื่อรู้ทันใจแล้วก็มันจะเอาชนะใจเราได้เราเอาชนะใจได้นั้นต้องใช้สติอย่างเดียวเพราะสติเกิดรู้ทันใจนจะเกิดปัญญา เกิดปัญญาปัญญามันมาจากสติมาจากสมาธิปัญญาคือรู้แจ้งรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องใจเราเห็นว่าอ๋อจิตนี่มันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็รักเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็รู้แล้วมันก็หลงมันจะเข้าใจเรื่องของจิตอ๋อจิตนี่มันไม่เที่ยงบางทีเรามาคับบัญชามันไม่ได้หรอกแต่เรารู้มันได้การรู้ทันนะคือการเอาชนะจิตใจ การอาชนะใจนี่ไม่ใช่ไม่ให้ใจมันคิดหรือไม่ฆ่าใจเอาชนะในการรู้เท่าทันพอรู้ทันเนี่ยใจมันหลอกเราไม่ได้หรอกคนที่มีลูกเมื่อรู้ทันลูกลูกก็หลอกเราไม่ได้เรารู้ทันเพื่อนเพื่อนก็หลอกเราไม่ได้เรารู้ทันใจใจก็หลอกเราไม่ได้เห็นไหการเราเฉเพื่อ้รู้ทันกิจทันใจเรานี่แหละมันจะเข้าใจอารมณ์ตัวเอง เข้าใจอารมณ์เข้าใจถึงความคิดของเราเราชนะตัวเองได้การเอาชนะเองเอาชนะใจนั่นเองตัวนี้เราแพ้ใจเราพอใจเราเสน อ, องไงเพื่อเราก็ทาตามทำตามใจมันก็จะเกิดความทุกข์ทีหลังเราชนะใจเราแ ล, แล้วไม่พอเอาชนะใจเพื่อนด้วยนะคือรู้ทันจิตทันใจเพื่อนคือคนรอบข้างรู้ทันอารมณ์เข้าใจอารมณ์ เขาบรรลุทันนั่นคือไม่ใช่ว่าจะไปเอาชนะเขาแต่ว่ารู้ทันว่าเวลาเขาเกิดอารมณ์แบบเนี้ยเราเข้าใจเขาอ๋อตอนนี้เขาโกรธเลยนะแล้เขาไม่พอใจเลยนะเราจะเข้าใจอารมณ์เขาแล้วก็จะไม่คิดไม่คิดเปลี่ยนอารมณ์เขาให้ได้ยังใจเราไม่คิดเปลี่ยนใจเขาให้ถูกใจเราพอาเรไปคิดเปลี่ยนใจเขาให้ได้ยังใจเราเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่เราเข้าใจก็าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เองคนแบบเนี้เขาก็เป็นอย่างนี้เอง เขาเป็นคนพูดมากอออเขาเป็นอย่างนี้เองเราจะเข้าใจเขาเข้าใจเขาแม้ว่าเขาไม่เข้าใจเราเราก็ต้องเข้าใจเขาที่เขาไม่เข้าใจเราเห็นะเรื่องกวาเข้าใจเนี่ยมันพูดยากนอกจากจะเข้าใจตัวเราแล้วจะเข้าใจคนอื่นแล้วเราจะไม่มีปัญหากันเลยแม้แต่คนที่เราไม่ชอบก็อยู่กับเขาได้ทางานเขาได้โดยที่ไม่มีปัญหากันคนปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีศัตรูะนะอยู่กับใครก็ได้ จะเข้าใจอารมณ์เขาแล้วก็ยอมรับ่สิธงที่เขามีเขาเป็นไม่คิดจะไปเปลี่ยนเนี่ยงเขาเคยมีคนมาปรึกษาเขาถามว่าเขาทํางานต้องอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบเลยเพื่อนโรงงานเนี่ยเราไม่ชอบหน้ามันเลยมันงี่เง่ามันมันคอยจะตําหนิเราอยู่เรื่อยนะมันหงุดหงิดมากแล้วมันคอยจะทิ้งระเบิดใส่เราอยู่เรื่อยเราจะทำอย่างไรดี เราจะไปฏิบัติธรรมได้อย่างไรแต่เมื่อคนรอบข้างเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าโห้ดีแล้วดีแล้วไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่ไหนแล้วนี่แหละไอ้คนรอบข้างนั่แหละเป็นตัวสอบอารมณ์อย่างดีเลยนะบางคนจะหนีปัญหาอยากจะไปปฏิบัติธรรมสักเจ็ดวันแล้วค่อยกลับมาเผชิญหน้าไอ้คนเนี้บอกอย่าไปเลยไม่เก่งหรอกอยู่กับคนเนี้เราจะเก่งเราไปปฏิบัติธรรมโดยแต่คนอารมณ์ดีพูดดี พูดเพาะๆนะอารมณ์ดีมันไม่เก่งนี่ล่ะอยู่ใกล้คนแบบนี้หล่ะเราจะเก่งไอ้คนที่มันหงุดหงิดใส่เราบ่อยๆนี่หล่ะวิธีการปฏิบัติก็คือเวลาเขาหงุดหงิดใส่เราระบายอารมณ์ใส่เราเนี่ยเราอย่าไปสนใจเขาสิถ้าเราสนใจเขานี่สเสน่ห์เขาจะดูดเราเข้าไปนะ <c oughs> เราจติดโรคของความทุกข์จากเขานะอย่าปลา่อยความผิดปกติของเขามาทําลายความปกติของใจเราสิ ก็ดูที่ใจเราอ๋อใจเราพอใจไหมให้เรารู้ไว้เราไม่พอใจให้รู้ไว้ดูที่ใจเราเนี่ยมันจะหมดปัญหาที่ใจเรานะปัญหาเกิดที่ใจเรานะเขาเจอหมุนเย็นไรปล่อยเขาเถอะดูที่ใจเราดูอารมณ์ที่มันพอใจไม่พอใจอันนี้เป็นการปฏิบถถัติทำเป็นการดูจิตเลยโดยที่ไม่ต้องไปเข้ า, ขาคอร์สที่ปฏิบัติที่ไหนนี่แหละคือตัวสอบอารมณ์สักวันนึงเนี่ยเรารู้ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยนะ เ็นว่าอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาเลยเขาก็ใส่เราอย่างนี้แหละเนี่ยวันนี้มาเขาทำอย่างนี้แหละเราจะเข้าใจเขาแล้วก็เอาชนะใจเราได้ด้วยบางทีจะสงสารเขานะโอ้เนี่ยเขาป่วยเนี่ยเขาไม่ปลุกเขาดีเขาป่วยสงสารเขาเมตตาเขาเราอย่าไปถือสาหาความเขาเลยเราก็มาทำงานของเราไปไอ้ความนิ่งของเราเนี่ยมันช่วยสยบความวุ่นวายของเขาได้ใช่ไหมเคยไหม เวลามีใครมาหงุดหงิดเราอะถ้าเราตอบโต้ไปเนี่ยโอ้เรื่องยาวแต่เราเฉยเฉยเนี่ยเขาพูดมาเราเฉยเฉยเนี่ยเขาจะมองเราเอ๊ะมันจะมาไม้ไหนบางทีเขาเขาสึกืึนกันนะนั้นไอ้ความสงบของวายนั้นเนี่ยอยู่ที่ใจเราอย่าเพิ่งไปลงโทษเขาสังเกตนิสิต<ม>ดูใจเราอ๋อมันชอบใจก็รู้มันไม่ชอบใจก็รู้นี่เป็นการปฏิบัติธรรมเอาคนรอบข้างเนี่ยมาเป็นคนสอบอารมณ์ มันต้องไปหาครูบาอาจารย์สอนเราที่ไหนคนรอบตัวเราเนี่ยเราฝึกดูสิเมื่อเราสงบบ่อยๆนิ่งบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะได้คิดเขาจะได้สติเขาจะเริ่มปรับตัวออเนี่ยเอาเรื่องกับเราไม่ได้เดี๋ยวเขาไปหาเรื่องคน อ, อื่นต่อไป <c oughs> ถ้าเขาเก็บหลากเขาก็จะเข้าใจก็แก้ปัญหาแบบนี้ยแล้วเราจะเก่งเราไม่หนีปัญหาไอ้เรื่องคนที่ไม่พอใจงงหงุหงิดเราอย่างนี้เนี่ยในโลกเนี่ยเราไปที่ไหนเราหนีไม่พ้นหรอกเราต้องเจอ อยากหนีพ้นเพราเอาชนะใจเราเหลยเราก็จะหนีพ้นมันพ้นได้ที่ใจเราการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยอาศัยคนรอบตัวอาศัยงานที่เราทําเนี่ยงานที่มันไม่ถูกใจเราก็ดูที่ใจเราให้รู้ทันใจเรามันก็จะพ้นทุกข์ได้ที่ใจเราเนี่ยแหละเะนั้นไม่ต้องหนีไปไหนหรอกเนี่ยการทําในชีวิตประจําวันนี่แหละเป็นครูสอนทําได้อย่างดีเลย ที่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อไหร่จึงจะบรรลุผลพอเริ่มทําเหตุไปเราก็มองหาผลแล้วเมื่อไหร่มันจะบรรลุผลเราทํางานแล้วก็ถามเมื่อไหร่จะรับเงินเดือนเนี่ยสมัยใหม่ๆนะเมื่อไหร่จะบรรลุผลพระเจ้าตรัสไปว่าถ้าเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยอย่างต่อนเนื่องนะตลอดทั้งวันเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วก็ต่อนเนื่องตลอดทั้งวันเนี่ยเจดวัน เป็นอย่างไวเจ็ดเดือนเป็นอย่างกลางเจ็ดปีเป็นอย่างช้าจะได้ผลผลคือเป็นพระรหันในชาตินี้คือสิ้นทุกไปเลยหมดทุกไปเลยถ้าไม่เป็นพระรหันก็เป็นพระนาคามีคือเป็นพระยะที่ลองหูมาเป็นพระนาคามีก็มีทุกน้อยที่สุดเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทำอย่างถูกต้องให้มีสติรู้สึกตัวอย่างถูกต้อง ในกายในใจเนี่ยให้ต่อเนื่องต่อทั้งวันเนี่ยภายในเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีนต้องเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่งั้นก็เป็นพระน า, าคามีคือทุกลดลงบางทีมันกล้าลองนะมันน่าจะลองเป็นการท้าพิสูจน์เลยแต่ส่วนมากคนที่ไปลองก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าทําไปใจจะเอาเมื่อไหร่มันจะเจ็ดวันนี้จะได้กลับบ้านอย่างเงี้ยไม่บรรลุผลแล้วมันมีโอกาสเป็นได้เพราะงั้นคือทุกมันลดลง ผลการปฏิบัติเนี่ยทุกลดลงเนี่ยก็เอาแล้วละ่ะอย่างน้อยสติก็จเจริญมากขึ้นรู้เต้าทันตัวเรามากยิ่งขึ้นจิตมีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมจิตจะเบิกบานมากกว่าเดิมเราจะมีความรู้ละอายชั่วกลัวบาปมีคุณธรรมประจำใจจิตสงบได้ง่ายทุกมันลดลงเนี่ยถือว่าเป็นผลการปฏิบัติที่ที่ดีแล้ว ถืว่าถูกต้องแล้วไม่ต้องเป็นพระยาเจ้าก็ได้ถ้าเราเป็นพระยาเจ้าเป็นพระลัหันแต่ทุกข์ยังเต็มที่นี่ไม่มีประโยชน์เลยทุกข์มันลดลงเราก็ใช้ได้แนละเป็นผลการปฏิบัติธรรมมันเป็นไปได้ปัญหาเนี่ยจะถูกแก้ไขเราจะแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาที่ตัวเราได้ไดถูกต้องเราเคยไปแก้ปัญหาแต่ภายนอกแต่ลืมแก้ปัญหาใจเราแต่ถ้าเราการปฏิบัติเป็นการย้อนกลับมาดูตัวเราจะแก้ปัญหาที่ใจเรา ถ้าใจเราแก้ปัญหาได้เมื่อไหร่ล้วก็ปัญหาข้างนอกนี่ไม่สําคัญเลยมันไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมเพราะเราเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนผมเองนี่ก็เริ่มต้นปฏิบัติอยู่ที่บ้านทําในชีวิตประจําวันเนี่ยผมไม่ได้ไปเริ่มต้นที่วัดผมไม่ได้บวชนะเริ่มทําอยู่ที่บ้านตอนแรกก็ไม่คิดว่าธรรมนจะมีประโยชน์สำหรับเราเหรอกไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะธรรมะไม่จําเป็นเราเรียนจบเรามีงานทําเรามีความรู้ พอรู้ในทางโลกโลกเราพอแล้วแค่นี้ยธรรมะไม่จําเป็นในการใช้ชีวิตแต่พอร่างกายมันต้องเป็นแบบเนี้ยประสบคราะกรรมคือต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยทุกมันก็มากทุกใหญ่หลวงเลยทุกทั้งกายทุกทั้งใจเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องสนใจธรรมะและความรู้ที่เราเคยเรียนมาเนี่ยเรียนจบเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะมันดับทุกทั้งใจไม่ได้เลย เขารู้ทั้งหลายเนี่ยดับทุกขางใจไม่ได้เลยจึงหันมาสนใจธรรมะแค่การได้ยินได้ฟังได้คิดนึกมันก็เริ่มเข้าใจธรรมะแต่ยังไม่ได้เข้าถึงเข้าใจธรรมะอ๋อมันต้องปฏิบัติต้องกลับมาแก้ปัญหาตัวเราเองปัญหาที่จิตใจที่มันยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเลยมันเป็นตัวเราถ้าเรารู้ความจริงเราก็จะปล่อยวางมันได้ใจเราก็จะพ้นทุ้กก็เริ่มการปฏิบัติก็เริ่มการเจริญสติเนี่ย นอนปฏิบัติอยู่ที่บ้านเ้ยไม่มีงานอะไรทํานอนเจริญสติเนี่ยนอนพลิกมือเล่นรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกพลิกมือหงายรู้สึกให้มีสติรู้ลงไปที่การเคลื่อนไหวคือกลับมาดูตัวเราทําไมต้องกลับมาดูตัวเราด้วยเพราะว่าจิตนี่มันฟุ้งมากเลยมันฟุง้งฟุ้งจนนอนไม่หลับเพราะว่าเราปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปในอารมณ์ต่างๆไปคิดถึงอนาคต เสดาอดีตกังวลถึงอนาคตเนี่ยเราจะทําอย่างไรต่อไปมันก็ปรุงแต่งแต่การจิตสติเป็ น, านการกลับมาดูตัวเราเนี่ยมาตามรู้กายรู้แบบสบายๆรู้เล่นๆเนี่ยรู้ว่ามันจะเป็นไงก็ช่างมาให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ทําอยู่ที่บ้านมีการเคลื่อนไหวอ ย, อยู่แค่เนี้บอกมือนี่ก็เคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ก็มือข้างเนี้ยทาได้มากเลยถ้าผมทําทั้งวันวันหนึ่งเนี่ยหกเจ็ดชั่วโมงนะผมนอนพลิกมือแล้รู้สึกรู้ ทำทุกวันก่อนจะปฏิบัติเนี่ยผมอ่านหนังสือศึกษาตำรามาสิบหกปีเลยสิบหปีแต่ไม่เริ่มไม่ได้เริ่มการปฏิบัติใจมันก็ยังทุกข์อยู่แต่พอลงมือปฏิบัติเนี่ยจิตมันเริ่มมันเริ่มอยู่กันเนี่อกับตัวแนะไม่ไม่เลื่อนลอยนละ้วมันก็มีการอาการเบาจิตก็เริ่มเบาแทนที่จะไปเครียดเพราะความคิดแต่กลับมาลุ้น ก, กับการเคลื่อนไหวมันก็มีการผ่อนคลาย คนเรามันเป็นทุกข์เพราะความคิดถ้าจิตมันไม่คิดแล้วก็ทุกข์มันไม่เกิดทุกข์เพราะการปรุงแต่งคิดมากทุกข์มากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกข์แต่เรื่องไม่คิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่มันคิดเราสามารถรู้ได้รู้แล้วก็ปล่อยวางมันได้ก็นอนจิตรู้สติไปเรื่อยอาศาัยความอดทนความเข้มแข็งความขยันตา่ตางๆมารวมตัวกันหมดก็ทาไป ลักษณะประมาณสักเดือนเดียวนะก็เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจเข้าใจเรื่องของกายโอ้ร่างกายนี่แม้เราไม่พิการมันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่แล้วยังไงมันก็ทุกข์อยู่แล้วโอ้เรื่องพิการเป็นเพียงแค่อาการของกายเท่านั้นมีค่าวแลวกับสิวบนใบหน้าเท่านั้นมันมีนอาการแปลแกๆก็เนี่ะเลยไม่แบ่งแยกความพิการคือความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายต่างหากคือที่ตั้งความทุกข์เห็นไหม หมารวมแล้วเนี่ยเป็นความทุกข์ของกายทั้งนั้นเราอยากได้มันไหมถ้าอยากได้มันเราต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพิการกับมันนะโอเราไม่เอาล่ะเป็นผู้เห็นมันซะเป็นผู้ดูกายที่มันทุกข์ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เมื่อสติมันมากขึ้นเนี่ยมันดูได้มันกลายเป็นผู้ดูได้แล้วก็เรื่องของจิตเรื่องความคิดที่มันปรุงแต่งสารพัดอย่างซึ่งเราห้ามมันไม่ได้แต่เรารู้มันได้ การรู้แต่ละครั้งเท่ากับเป็นการหลุดเมื่อรู้แล้วมันหลุดหลุดออกมาจากอารมณ์ที่เรารู้เหมือนท่านเห็นผมตรงนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นผมใช่ไหมเป็นผู้ดูผมเป็นผู้เป็นเราเห็นสิ่งไหนเราก็หลุดออกมาจากสิ่งนั้นแค่รู้เฉยๆเนี่ยก็หลุดออกมามันเข้าใจเรื่องของกายเข้าใจเรื่องของจิตเข้าใจเรื่องของชีวิตเมื่อเข้าใจแล้วเราก็อยู่กับมันได้อยู่กับความจริง อยู่กับความจริงโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์กับความจริงอยู่กับความจริงได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่ไหนไม่ต้องหนีตัวเองไปไหนพอรู้ความจริงแล้วใจมันเป็นสุขรู้ความจริงแล้วใจมันเป็นสุขไม่ต้องไปแสวงหาความสุขนอกตัวที่ไหนแก้ปัญหาตัวเองได้เมื่อเจริญสติทาให้เกิดปัญญาเข้าใจเรื่องของชีวิตเข้าใจคนอื่นด้วยมันแก้ปัญหาตัวเองได้ การแก้ปัญหาตัวเองได้มันเป็นเหตุปัจจัยให้ช่วยเหลือปัญหาแก้ปัญาอื่นก็ได้ด้วยใครมีปัญหาเหมือนเราเราก็ช่วยเขาได้เอย่ยงน้อยเราแก้ปัญหาอื่นไม่ได้ก็ให้กํำลังใจช่วยเขาได้พอเริ่มจากช่วยตัวเราได้อยู่กับความจริงโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกเนี่ยอาศัยธรรมะในเป็นที่พึ่งจนทุกวั น, นเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตของความพิการทุกวันเนี้ย อยู่กับกายพิการโดยที่ใจไม่ทุกพว่าอาศัยการเจระสติเนี่ยมาเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ใหม่ๆต้องทําให้มากๆเรื่อยๆมา ก, มา ก, มากต่อไปเนี่ยไม่ต้องเจริญหรอกมันเกิดขึ้นมาเองอะไรทําทบ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองได้นะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยถือว่าจําเป็นมากสติจําเป็นต้องใช้ทุกเมื่อถ้าขาดสติเมื่อไรแล้วก็มีโอกาสที่ผิดพลาดในชีวิตได้ สติอยู่ที่ไหนก็อยู่ในชีวิตประจําวันทําในชีวิตประจําวันนี่แหละสติธรรมดาแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้สติธรรมดาโดยธรรมชาติโดยสัญชาติญาณแก้มาชีวิตไม่ได้เห็นไหมเวลาเรานั่งสติรว่าเรานั่งมันกลายเป็นเรานั่งเวลาเราเดินอ๋อนี่เราเดินเวลาเราป่วยนี่เราป่วยเวลาเราทุกข์อ๋อนี่เวลามันทุกข์เราก็เป็นเราเป็นเราหมดเลยเรารู้นะว่าเราทุกข์แต่มันเป็นเราอ่ะ มันยังแยกไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์เพราะมีการยึดมั่นถึงมั่นว่ากายที่เคลื่อนไหวใจที่มันคิดเนี่ยมันเป็นเราเราไปยึดแบบนั้นใช่ไหมมันจึงพ้นจากความทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยมันมีกายกับจิตเนี่ยมันเป็นฐานให้สติเนี่ยเป็นผู้ดูอีกอันมันเป็นฐานอกอันเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูเราไม่ได้เข้าไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้นมันก็มีการแยก สติปัฏฐานนั้นต้องมีฐานคือกายกับใจและสติเนี่ยเป็นผู้ดูเป็นผู้แยกออกมาไม่เข้าไปเป็นสิ่งนั้นนั้นทุกของกายทุกของใจมันไม่เกี่ยวกับไม่ใช่ทุกของเราเพราะรู้แจง้งเนี่ยสติปัฏฐานนี่พ้นทุกได้เนี่ยเพราะนั้นเราค่อยๆฝึกเนี่ยให้รู้สึกตัวไปในแต่ละวันเนี่ยรู้สึกแต่ละครั้งว่าเรากายเคลื่อนไหวก็รู้เวลาจิตมันคิดนึกก็รู้ แค่เพียงรู้บ่อยๆสะสมความสึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญญามันจะเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของใจเราก็จะพ้นทุกได้มันจะนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยเราเริ่มสะสมเริ่มรู้สึกตัวบ้างอย่างเราทํางานในธนาคารไปเนี่ยเราเอาเวทีของอาการทํางานเป็นเวทีการปฏิบัติธรรมไปเลยเราจะได้บุญทุกวันไม่ต้องเข้าวัดก็ได้เราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสก็เอานี่ละ เอาธนาคารกรุงศรีอุทยาเป็นวัดเลยเอาใจเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธนาคารกรุงศรีอยุทยาวาลารามไปเลยก็นะ <c oughs> เอาเป็นวัดเป็นการปฏิบัติเลยเนกะ็บความรู้สึกตัวทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเจริญนะบางทีเราไม่มีโอกาสไปทำทีก็ ท, ทําที่เนี่ยที่ทำงานเนี่ ย, เ, ยเพราะฉะนั้นการเจริญติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นไปได้ ถ้เาเปิดใจกว้างอย่าบอเราทําไม่ได้หรอกทาได้ถ้าเราจะทำํำที่ทําไม่ได้เพราะเราไม่ได้ลองทําดูเรารู้สึกตัวแต่ละครั้งในเป็นการเก็บขะแนนของความของสติไปเรืเ่อยๆคิดว่ามันเป็นไปได้ถ้าว่าเราจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ได้เนี่ยไม่มีโอกาสพ้นทุกเลยเราจะไปรอเมื่อเรากรเกษียณหรือเราออกจากงานไปไปฏิบัติเนียไม่ได้บางทีมันรอเวลาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่เราก็ทําได้ การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นหัวใจหัวใจของการปฏิบัติเลยนะถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยบรรลุธรรมไม่ได้การจริตสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นทำนอกรูปแบบที่มันมีรูปแบบอยู่หน่อยหนึ่งบางทีเรามีเวลาว่างเนี่ยก่อนจะนอนหรือตื่นนอนหรือเวลาที่เราไม่ได้ทํางานเนี่ยเรามีเวลาว่างเราลองทําในรูปแบบดูในรูปแบบคืออาศัยการเคลื่อนไหวของกายเนี่ย มาเป็นสิ่งที่ระลึกรู้แทนที่จะปล่อยใจใเลื่อนอยกลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของหน้าร่างกาซึ่งผอกว่าเคยทํามาก่อนลองดูสักหน่อยไหมลองเราทํารูปแบบสักหน่อยหนึ่งง่ายๆอาศัยกายของเราเนี่ยเอานั่งสบายๆเอามือข้างขวาข้างนึงข้างขวาเอาแบบง่ายๆลองเจริตสติไปกับการเคลื่อนไหวของมือการจริตสติแบบนี้ไม่ต้องใช้ความคิด ไม่ต้องมีคาบริกรรมไม่ต้องหลับตาอาศัยความรู้สึกเข้าไปสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของมือลองพลิกมือควม่มพลิกมือหงายลองทาไปเรื่อยๆนะความให้รู้สึกนะเวลามือหงายก็ให้รู้สึกเวลามือคว่มก็ให้รู้สึกให้รู้สึกรู้เฉยๆให้รู้แบบสบายๆแบบผ่อนคลาย อย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับให้รู้เบาๆวางใจเป็นกลางๆสบายๆเวลามันหงายก็รู้สึกเวลามันคว่าก็รู้สึกรู้แบบสบายๆแบบเล่นๆอย่าไปจริงจังกับมันรู้แบบผ่อนคลายให้รู้แบบดูๆอย่าดูด้วยตานะดูแบบแยกๆนะรู้แบบดูๆดูแบบแยกๆ กายเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งรู้อยู่ห่างทำแบบสบายๆแบบผ่อนคลายเวลามันคิดก็ทิ้งมันไปกลับมารู้สึกเวลามันคิดอีกก็กลับมารู้สึกกับกายเคลื่อนไหวอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดให้แม่เจตนารู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของมือ มันจะคิดก็ปล่อยมันไปแต่เราไม่ไปนสนใจกลับมารู้สึกเจตนารู้ที่กายเคลื่อนไหวเบาๆรู้ง่ายๆให้รู้สึกตัวเน้นให้รู้สึกตัวมากกว่าความคิดให้รู้สึกมากกว่าให้มันคิดทุกวันเนี่ยเราเคยใช้แต่ความคิดแล้วไม่มีความรู้สึกตัวกับตัวเราล้วนๆเลยตอนนี้เราไม่ต้องการคิดเราจะมารู้สึกกับการเคลื่อนไหว มันเผลอไปก็กลับมาลุยอีกมันเผลออีกลับมาลุยรู้ใหม่เรื่อยๆชีวิตจะใหม่เรื่อยๆทุกข์ที่เรารู้สึกนัน่นคือชีวิตใหม่ตาละไหนเคยเห็นความคิดบ้างเห็นความคิดบ้างไหมรู้มิเตั้งหน้าตาเดียว <c oughs> อย่าไปเพ่งมันถ้าเพ่งแล้วมันจะเครียดการไปในประธานที่ถูกต้องนั้นถ้าทําแล้วเครียดทําได้ทุกข์ในไม่ถูกทาง ทำแล้วใจต้องผ่อนคลายต้องเบาๆผ่อนคลายต้องเบิกบานนั้นที่เราตั้งใจทาจนเกินไปนะ่ะคือทำด้วยความอยากอยากเราไม่ทำแบบผ่อนคลายพลิกมือแบบผ่อนคลายรู้แบบสบายๆอันนี้เป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวของมือนะล้วจะใช้วิธีการสัมผัสนิ้วมือก็ไดนะ้เอานิ้วจี้กับนิ้วหัวมือสัมผัสกับเบาๆสัมผัสเบาๆเล่น รู้สึกไหมเรารู้สึกตัวไหมวเวลากําลังสัมผัสนิ้วมือเรารูรรา้รู้ว่าเราคิดเรารู้หรือเราคิดถ้าไม่คิดเราจะรู้ได้ไหมได้แต่ถ้าคิดเนี่ยมันไม่รู้สึกหรอกมัวแต่คิดมันสัมผัสได้เป็นของจริงเ ร, เราไม่หลับเราทําอย่างเงี้ยหรือหลับสบายเลยแต่ที่เราปล่อยจิตไปคิดฟุ้งซ่านแต่เรามารู้สึกเห็นไหมใครพูดมากเราก็ไม่สนใจแล้วกลับมารู้สึก เรานั่งรถเราไม่ได้เป็นคนขับไอ้คนขับขับไปมันก็บน่นไปมันก็ด่าพวงนี้เราก็มารู้สึกนะอย่าไปงุ่ยกกับเขาเรามารู้สึกปฏิบัติได้ทุกที่เลยเรามาเติมความรู้สึกเนี่ยเป็นเติมความรู้สึกรู้สึกรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็เก็บเกี่ยวกุศลได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันเคลื่อนไหวตรงนั้นเรารู้สึกได้แล้วเราเป็นการปฏิบัติทำเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ทําได้นะลองดูอันนี้เป็นในรูปแบบ ก่อนนอนตื่นนอนนอนพลิกมือเล่นอันนี้เป็นรูปแบบส่วนนอกรูปแบบนั้นก็คือเวลาเราอาบน้ำํำเราก็รู้สึกเวลากาลังอาบน้ําเวลาแต่งตัวเวลาทานข้าวให้เติมความรู้สึกบงไปในอีเดียวบวกของเราแต่ละวันเนี่ยเนี่ยเป็นการปฏิบัติทำแบบไม่ต้องเข้าวัดเลยถ้าเราใช้ชีวิตแบบมิติอย่างนี้นะความวุ่นวายใจความเล่าร้อนใจความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะสติเข้ามาทําหน้าที่ และทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงกับกายกับใจเราเราก็จะไม่มีทุกข์เลยท้งนี้ครับท่านอาจารย์ครับคือชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้ความคิดมากทั้งวันนะฮ ะ, ะจะทำอย่างไรที่จะให้เรามีสติเกิดขึ้นในระหว่างที่เราคิดทั้งเราประชุมหารือทำงานโดยใช้ความคิดมากๆนะครับอาจารย์ทาอย่างไรเราจะได้ มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นในขณะที่เราต้องใช้ความคิดมากๆนะครับขอบคุณครับโดยสภาวะธรรมแล้วเวลาเราคิดเนี่ยสติมันไม่เกิดหรอกขณะที่คิดสติมันไม่เกิดแต่มันจะเกิดต่อเมื่อจิตมันไม่คิดขอถามแต่ว่าเราคิดต่อนเนื่องเป็นเหล็กสเส้นหรือเปล่าความคิดเนี่ยมันจะเกิดดับเกิดดับด บ, บางทีมันก็มีช่องให้เรารู้สึกตัวได้เหมือนกัน ทุกครั้งที่มันคิดเนี่ยเราปฏิบัติไม่ได้แต่มันคิดจบไปแล้วเนี่ยบางทีจะรู้สึกอ๋อเนี่ยเมื่อกี้มันคิดไปแล้วให้รู้ทันตอนที่มันจบของความคิดแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงมันจะไม่ยาวทที่มันจะปรุงแต่งเป็นเหล็กเส้นมันกลับกลายเป็นเป็นข้อเหมือนโซ่มันจะคิดมันก็จะมีช่วงหยุดให้เรารู้สึกได้ฝึกที่จะรู้สึกบ่อยๆเจตนารู้บ่อยๆเนี่ย ต่อไปพอคิดก็จะสั้นลงสั้นลงเห็นไหมสำคัญบางครั้งแยกระหว่างความคิดกับความรู้สึกไม่ออกเพราะว่าเราคิดว่าเรารู้สึกเป็นจริงๆเราคิดอยู่คิดรู้มันมีคิดรู้ก็มีจะเห็นว่าเราแยกว่าไอ้ความคิดที่เราตั้งใจคิดอันนี้เป็นธรรมดาแต่ว่ามันจะมีความคิดที่เราไม่เจตนาเห็นไหมเวลาเราคุยกันเนี่ยคุยกันนะเราใช้ความคิดแต่มันมีความหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยอ้อนี่ให้รู้ทันแล้วอ้อนี้มันคือความไม่พอใจ ให้รู้ทันทีในจังหวะที่มันเกิดขึ้นในความไม่พอใจก็ได้อารมณ์ที่รุนแรงเราสามารถรู้ทันได้เพราะฉะนั้นเรื่องความคิดถึงเวลาคิดก็คิดไปเแต่เวลาที่มันหยุดเนี่ยมันก็มีเหมือนกันถ้าคนเราคิดตลอดทั้งวันเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้จะเป็นโรคจิตโรคประสาทจิตไม่ได้พักฟ่อนอะไรที่เราไม่ตั้งใจคิดน่าหละคือตัวที่เรารู้มันได้เห็นไหมมันมีหลายครั้งเนี่ยไอ้ที่ไม่ตั้งใจคิดนี่มันเยอะนะะอันนั้นเป็นแขกที่เราไม่รับเจญ สติสามารถรู้ได้ในจิตที่มันไม่ตั้งใจคิดแต่ว่าจะรู้ขณะที่มันคิดเลยไม่ได้หรอกจังหวะความคิดมันจะค่อยๆเสื่อมลงไปค่อยๆหมดหมดกําลังไปแล้วก็รู้ตามทีหลังแต่การที่เรามีสติบ่อยๆเนี่ยสติมันจะมากกว่าความคิดมันจะมาก่อนความคิดเสมอบางทีมันคิดปั๊บสติมันเกิดมันตัดไปได้ทันทีเลยคือต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆการฝึกในรูปแบบเมื่อกี้เนี่ยการพลิกมือก็ดี การเดินจงกรมแล้วก็รู้สึกก็ดีเพราะอนี้เป็นการฝึกในรูปแบบเนี่ยสติมันจะมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะทันความคิดไปเองมันจะทันไปเองเราต้องสร้างไอ้ตัวรู้สึกขึ้นมาให้มากๆมันจะได้ทันในตัวความคิดก็พอเข้าใจครับขอบคุณครับครับมีผู้ถามมาว่านะครับท่านอาจารย์ครับเป็นคนที่ไม่รู้จักท่านอาจารย์มาก่อนเลยนะครับคนที่ถามนะครับ ตอน ท, ที่ท่านเกิดอุบัติเหตุท่านทำอย่างไรถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ครับตอนเกิดอุบัติเหตุสามารถใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปได้อ๋อก็ขณะที่เกิดปัญหาตอนนั้นเนี่ยมันก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกขะ์นะแต่ว่าวิธีการเสริมสร้างกำลังใจที่จะสู้ชีวิตได้อย่างไงนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราอาศัยคนรอบข้างคนรอบข้างให้กำลังใจ คุณพ่อคุณแม่กำลังใจแล้วเราเองก็ฝึกที่จะอดทนอดทนไว้ก่อนอดทนแล้วก็รู้จักยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเริ่มคลี่คลายยอมรับความจริงออกเป็นเราเป็นนี้เองเนาะเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้แหละแล้วฝึกวิธีการคิดคิดที่จะออกจากปัญหาไม่ใช่คิดซ้ำเติมตัวเองทําไมจึงต้องเป็นเรามันเวรกรรมอะไรของเราเนี่ยมันซ้ําเติมตัวเองเมื่อไหร่เราจะหาย ใครหนอมาทำเราโทษคน น, นนู้นโทษคนนี้แต่เราไม่ทำย่ า, งงานั้นเราคิดหาทางออกจะทำไงให้ชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้นคิดหาทางออกเราไม่ได้คิดซ้าเติมตัวเองรู้จักยอมรับความจริงรู้จักอดทนแล้วก็คิดหาทางออกอย่าน้อยคิดเป็นบวกไว้ก่อนคิดเป็นบวกไว้ก่อนมองดูคนที่มันแยก่กับเราปรึกษาผู้รู้คิดหาทางออกเนี่ยมันก็พ้นจากปัญหาเหล่านี้ได้ เมื่อคิดแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วย่หมาๆต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ยอมรับอดทนยอมรับแล้วก็คิดหาทางออกของชีวิตปัญหามันย่อมมีการแก้ไขเสมอถ้าเราแก้ถูกต้อง